ก็ตามถ้าเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยจะทําได้ดีทําได้ถูกเนี่ยมันก็ต้องจับหลักให้ได้เสียก่อนถ้าจับหลักไม่ได้ก็อาจจะทําไม่ถูกเรียนรู้ได้ช้ายุ่งมีทําผิดไปเลยการจเจริญสติก็เหมือนกันนะเรามาที่นี่เพื่อมาเรียนรู้วิธีการฝึกสติก็ต้องจับหลักให้ได้ไม่งั้นจะไปติดที่รูปแบบไปติดที่การยกมือสร้างจงังหวะไปติดที่การเดินจงกรมกลับไปกลับมา นั้งๆที่มันเป็นเพียงแค่รูปแบบหรือเป็นวิธีการเป็นอุบายจุดหมายคือการเจริญสติทําให้สติเติบโตแต่บางคนเนี่ยไปติดที่รูปแบบไปคิดว่าถ้าสร้างจังหวะแล้วเนี่ยนั่นคือการเจริญสติเวลาไปพูดคุยกับใครสนทน า, าใครก็ยกมือสร้างจังหวะไปด้วยอันนี้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจก็เลยไปติดที่รูปแบบนะว่า จะต้องยกมือสร้างจังหวะไปทุกที่ทุกเวลาจริงๆเวลาคุยกับใครเนี่ยนะเราก็ควรคุยกับเขาอย่างมีสติในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ไม่จเป็นต้องยกมือสร้างจังหวะหรอกก็แค่รับรู้ถ้อยคำที่เขาพูดเข้าใจความหมายหรือว่าอย่างไปถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขาซึ่งอาจจะไม่ได้เอ่ยมาเป็นคาพูด อันนี้ต้องอาศยใจที่อยู่กับผู้พูดนะรว่าเต็มร้อยอันนี้มันจะมีบางครั้งที่ระหว่างที่ฟังเขาพูดใจอาจจะแว บ, บไปชื่นก็รู้จักนะดึงจิตเนี่ยที่มันแว บ, บเนี่ยกลับมาก็ต้องรู้ทันความคิดว่าตอนนั้นเผลอคิดไปแล้วพอรู้ว่าเผลอคิดไป สติมิ่งจะพาจิตกลับมาอยู่กับผู้พูดหรือระหว่างที่เราเป็นฝ่ายพูดเราก็พูดนะยังมีสติไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปไม่พูดจนฟุง้งโดยไม่สนใจว่าคนฟังนี่เขาอยากจะฟังหรือเปล่าไม่ได้พูดใดยความมัน เอาความสะใจหรือพูดได้อารมณ์คือทําอย่างไงก็เรียกว่าไม่มีสตินะมีสติคือรูอ้รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เรากําลังพูดถึงเราฟังเราก็รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ฟังด้วยมีความโกรธมีความขุ่นมัวไหมนี่แหละก็คือการเจริญสติแล้วก็เป็นการใช้สติ ใช้ใกาเวลาฟังคาบรรยายเนี่ยนะเราก็ฟังจะมีสติได้เราใช้สติในการฟังเพราะว่าเวลามีบางช่วงบางตอนใจมันหลุดลอยไปอดีตไปอนาคตส่งจิตออกนอกก็มีสติรู้พาจิตกลับมาหรือบางทีติดอยู่ที่ถ้อยคำบางถ้อยคำก็คลุกหมุกหมกอยู่ตรงนั้นแหละ ผู้พูดก็พูดไปเป็นสีห้านาทีแล้วนะแต่ว่าก็ยังยังจมอยู่กับอดีตที่ผ่านไปเมื่อห้านาทีที่แล้วอันนี้เรื่อไม่มีสติอยู่การฟังกันนะอาจจะมีการพลิกอาจจะมีการพลิกมือไปพลิกมือมาจะมีการคึงนิ้วแต่ว่าอันนั้นเป็นอิเลียบทรองสิ่งที่เป็นหลัก ก็คือเสียงบรรยายและใจก็ติดตามเสียงบรรยายนั้นไปแต่ถ้าเกิดใจมันไหลไปที่อื่นย็มีสติรู้ในการกระดิกนิ้วการคลึงนิ้วก็ จ, จะเป็นตัวช่วยเวลาใจมันลอยความรู้สึกที่มือหรือนิ้วข ย, ยับมันก็ จ, จะเป็นตัวเตือนจิตสกิดใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่ที่หอไตรกลับมาฟังคาบรรยาย นี่เป็นตัวช่วยนะแต่ไม่ใช่เป็นตัวหลักตัวหลักคือการที่ใจนี่มันมีสติตามคำพูดของผู้พูดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ไปสะดุดที่ตรงตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของคำบรรยายหรือไม่ปล่อยให้อารมณ์มันครอมงามจิตจนกระทั่งฟังไม่รู้เรื่อง จริงๆแล้วมันก็มีหลักนะมันมีหลักง่ายๆนะของการเจริญสติเนี่ยซึ่งมาใช้ได้กับการเจริญสติทุกอย่างไม่ว่าจะในรูปแบบหรือนอกรูปแบบนั่นคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะเป็นหลักง่ายๆเลยนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่หอไตรใจก็อยู่ที่หอไตร ถึงเวลาตัวนี่ไปอยู่ที่สาราหน้าใจก็อยู่ที่สาราหน้าถึงเวลาตัวอยู่บ้านใจก็อยู่ที่บ้านไม่ใช่ตัวอยู่บ้านแต่ใจมาอยู่วัดหรือไม่ใช่ว่าตัวอยู่วัดใจไปอยู่บ้านขณะที่ฟังคาบรรยายเนี่ยตัวอยู่นี่ใจอยู่ไหนถ้าตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่อันนี้ก็เรียกว่าเจริญสติแล้วนะอันนี้เป็นหลักการง่ายๆถึงเวลากินข้าวนะกินข้าวไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่อ่ ร้านอาหารก็ตามก็เจริญสติได้นะใจก็อยู่กับตัวด้วยทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าใจอยู่กับตัวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติแล้วง่ายๆนะเป็นหลัก ง, ง่ายๆในที่เราสร้างจังหวะเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยนะไม่ปล่อยใจลอย การสร้างจังหวะนี่ก็ใช้หลักเดียวกันคือว่าตัวอยู่นี่ใจก็อยู่นี่เมื่อใจอยู่นี่มันก็จะรู้กายและต่อไปพอมีความคิดมันก็จะรู้ทันความคิดอันนี้เป็นธรรมชาติของสติที่เติบโตหลังง่ายๆนี่แหละนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรก็ตามนะสงสัยว่านี้เราจเจริญสติหรือเปล่าก็ถามตัวเองว่า ตอนนี้เนี่ยตัวอยู่นี่แล้วใจอยู่ไหนหลักการข้อที่สองคือว่าทําอะไรด้วยใจเต็มร้อย น, ะนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆทําอะไรด้วยใจเต็มร้อยไม่ใช่ทําอะไรด้วยใจครึ่งๆกลางๆทํำด้วยใจสามสิเปอร์เซหรือห้าสิบเอร์เซตก็ยังไม่ใช่การเจริญสติซึ่งความหมายความหมายนั่นคือว่า ท, ทําทีละอย่างนะ อาบน้ำเนี่ยก็อาบน้ำด้วยใจเต็มร้อยคือว่าขณะที่อาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ําอำใจไม่ได้คิดอะไรล้างจานใจก็อยู่กับการล้างจานนะหรือว่าลดน้ำต้นไม้ใจก็อยู่กับการลดน้ําต้นไม้มันถึงจะ ท, ทําด้วยใจเต็มร้อยมันก็ไอ้ถามว่าทำสองอย่างได้ไหมมันก็ได้ไม่ได้เสียหายแต่ว่านั่นไม่ใช่การเจริญสติ บางคนอาจจะรู้สึกว่าหลังจากมันน่าเบือ่อถ้าได้ฟังเพลงบ้างมันก็หายเบือ่อหรือว่าบางคนที่ชอบจ็อกกิ้งก็ดีแล้วออกกําลังกายนะแต่ถามว่าฟังเพลงได้ไหมขณะจ็อกกิ้งมันก็ได้นะเพราะว่าถ้าหากว่าจุดหมายคือออกกําลังกายและทําให้ออกกําลังกายได้ต่อนเนื่องไม่เบือ่อแต่ว่าถ้าถามว่า มาเป็นการเจริญสติไหมก็ตอบว่าไม่ใช่นะเพราเจริญสติเนี่ยมันก็มีหลัก ง, ง่ายว่าตัวอยู่ในใจอยู่นั่นทำเจริญอย่างนะกินข้าวก็ใจวิโยกากรกินข้าวไม่ต้องคิดนึกอะไรนะไม่ต้องดูโทรศัพท์มือถือตอบข้อความหรือแม้แต่สนทนาเรื่องงานการแต่ถ้าจะเอาเรื่องงานการเป็นหลักนะก็อาจจะมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันระหว่างจะกินข้าวเพราะบางคนก็พบว่าเนี่ยเวลากินข้าวกันแล้วมันคุยกันรู้เรื่องได้ดีกว่าอันนั้นก็ในเสียหายนะแต่ว่าจุดหมายคือการตกลงเรื่องธุรกิจเรื่องการงานให้เรียบร้อยไม่ใช่การจนสติถามว่าระหว่างกวาดบ้านฟังเทพธรรมได้ไหมก็ฟังได้นะมันทําให้เพลิน แต่มันช่วยการเจริญสติไหมอันนี้ก็อาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่แต่มมนช่วยทำให้ทำงานบ้านได้เพลินเลยทำให้ทำงานไปด้วยก็ก็ได้รู้ธรรมะไปด้วยบางคนก็ขับรถไปก็ฟังฟังเทปธรรมะไปก็ดีนะก็คือว่าทำให้ไม่ง่วงแล้วก็ทำให้ได้ข้อคิดสกิดใจระหว่างที่ขับรถนานๆหลายชั่วโมง แต่ถามว่ามันเป็นการเจริญสติไหมมันก็ไม่น่าจะใช่นะแต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่ข้อสำคัญคือว่าอย่าให้มันมาบดบังจนกระทั่งนะลืมตัวเรื่องขับรถนะนะฟังเทพธรรมะคำบรรยายแล้วก็เพลินกับคำบรรยายหรือไปคล้องติดอยู่กับข้อความบองข้อความ ใครครวนก็ดีนะแตถ่ถ้าเกิดว่านั่งใคร่ครวนแต่ใคร่ครวนขนาคขับรถก็อาจจะเผลออาจจะพลาดนะเพราะไม่รู้ตัวขณะที่ขับรถไม่ได้ใครครวญอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นี้เนี่ยถ้าปุ่นการจลสติเนี่ยนะหลักก็มีง่ายข้อที่สองคือว่าเนี่ยทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยีถ้าเกิดว่าทำสองอย่างเนี่ย มันจะก็จะทำให้เวลาทำอะไรเนี่ยเช่นทำด้วยกายก็จะรู้สึกว่ากายเนี่ยมีการเคลื่อนขยับเขาเรียกว่าเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วต่อไปเนี่ยพอใจคิดนึกเนี่ยนะสติที่รู้กายเคลื่อนไหวอยู่เนืองๆ อ, อยู่บ่อยๆมันจะเป็นสติที่ไว พอมีความคิดนึกเกิดขึ้นก็รู้รู้ทันเห็นความคิดนึกต่อไปก็เห็นไปถึงอารมณ์นะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคนีพอรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วเนี่ยนะมันก็จะปล่อยจะวางความคิดและอารมณ์ได้ง่ายได้เร็วแต่ก่อนนี้ไม่รู้ทันก็โดนก็จมเข้าไปในความคิด หลุดหายก็ไปในอารมณ์จิตก็ไม่สงบจิตก็รุมร้อนนะเครียดวิตกกังวลเศร้าโกรธแต่พอรู้ทันความพิดนะรู้ทันอารมณ์มันก็หลุดจิตก็หลุดจากความคิดหลุดจากอารมณ์หรือปล่อยวางได้พอปล่อยวางได้ใจก็สงบหลายคนพอปฏิบัตินะถึงจุดหนึ่งเนี่ย ไอ้ที่มันคิดมน่นคิดนี่เนี่ยมันจะค่อยๆเบาหายไปมันหายไปความคิดมันหายไปเรียกว่าแบบน่าประหลาดใจมากมันเคยคิดเยอะแยะหมดเลยแล้ววันดีคืนดีมันก็ค่อยๆจางหายไปจริงๆมันมันหลุดนะมันวางตั้งแต่ตอนที่รู้ทันแล้วล่ะ นี่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความสงบนะสงบเพราะรู้น ะ, ไ ม, ะ ไ, มนะไม่ใช่สงบเพราะไม่รู้นะไม่ใช่สงบเพราะว่าไม่ได้ยินไม่ได้เห็นเพราะปิดหูปิดตามไม่ใช่สงบเพราะรู้คือเพราะรู้ทานความคิดและอารมณ์อันนี้พอเกิดความสงบแล้วเนี่ยก็อย่าพึงพอใจแค่นั้นนะจะต้อง เจริสติต่อไปจกนกระทั่งสามารถที่จะเกิดความรู้อีกแบบหนึ่งขึ้นมาคือรู้ทันกิเลสแล้วแต่ก่อนรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แต่ว่าถ้าเราจะถ้าเราจะเจริญสติให้ก้าวหน้าเนี่ยม่ต้องมองทะละุจนเห็นกิเลสที่มันอยู่เบื้องหลังความคิดและอารมณ์ อย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพกระถิน่นะก็ตั้งใจนะเรียรายปัจจัยมาอย่างดีได้เงินมาไม่น้อยแต่ถึงเวลาถวายภาพกระถินถวายบริวารกระถินเนี่ยบอกว่าไม่มีคนถ่ายรูป คนที่มอบหมายให้ถ่ายรูปเขาไม่เขาลืมหรือว่าอาจจะถ่ายแล้วภาพเสียโกรธเขามากเลยนะโกรธเขามากเลยแม้กระทั่งเลิกกระถินแล้วกลับไปบ้านแล้วก็ยังโกรธอยู่แต่ว่าพอมีสติเห็นความโกรธก็วางความโกรธได้มันโกรธขึ้นมาใหม่ก็เห็นความโกรธรู้ถ่ายความโกรธแล้วก็วางได้ แต่แค่นี้ไม่พอนะมันต้องสาวไปจนถึงว่าทําไมถึงโกรธก็จะพบว่าเพราะว่าอยากจะได้ภาพเนี่ยนะเอาไปขึ้นเฟซเพื่อให้ใครๆรู้ว่าเนี่ยฉันเป็นเจ้าภาพกระินได้เงินมาหลายล้านเลยแต่ตอนนี้ไม่มีภาพจะมาอวดใครสัแล้วที่โกรธแสดงว่าที่โกรธเพราะอะไรที่โกรธเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะได้อวด ไอ้ตัวที่อยากจะอวดนี่คืออะไรคือกิเลสคือตัวอัตตาตัวมานนะมันอยู่เบื้องหลังความโกรธนะที่โกรธเขาเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะสนองความต้องการของกิเลสหรืออัตตาคืออยากจะอวดอยากจะโชว์ต้องเห็นตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่เห็นรู้รู้ทันความโกรธแล้วก็จบ มันต้องมองทะลุไปหนึงว่าอะไรทำให้โกรธหรือว่ารู้เรียกว่ารู้ทันกิเลส ท, ที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโกรธคนคนนั่นที่ถ่ายรูปไม่ได้หรือผิดพลาดในการถ่ายรูปบางคนเ น, เนี่ยเวลาตักอาหารเนี่ยเข้าแถวก็รู้สึกหงุดหงิดคนที่อยู่ข้างหน้ามากเลย แม้ตักอาหารเสร็แล้วก็ยังหงุดหงิดนะแต่ว่าเจริญสติเห็นความหงุดหงิดอาจจะเห็นทันตั้งแต่ตอนที่กำลังจะเข้าคิวตักอาหารเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นคนที่อยู่ข้างหน้าเห็นแล้วก็รู้ทันแล้วก็วางจิตกลับมาเป็นปกติใหม่แต่างนีก็ผลขึ้นมาอีกไม่พอใจคนที่อยู่ข้างหน้ารู้ทันวาง สงบอันนี้ก็ดีนะดีกว่าปล่อยใจให้คุกรุ่นแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าลองพิจรารณาต่อไปว่ายิ่งคุณหหิดไม่พอใจเนี่ยคนที่อยู่ข้างหน้าพ่ออะไรอาเป็นเพราะว่าเราเห็นนะขาไก่เนี่ยของชอบของโปรดเนี่ยอยู่บนโต๊ะแล้วก็อยากจะไปเอื้อมอยากจะไปตักไวบไว แต่ข้างหน้านี่มันเดินช้าเหลือเกินอ่เลยไม่พอใจ น, นะหรือยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือเขาดันตักนะขาไก่ทอดไปหมดเลยเหลือแค่สองชิ้นตักไปหมดเลยโกรธไอ้การที่รู้ทานความโกรธความอุ่างนี้ดีแล้วแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเห็นว่าเนี่ยที่โกรธเพราะว่ามันอยากมันอยากจะได้ขาไก่อยากจะได้ตักขาไก่ไว้ไว แต่มันช้าหรือเกินเพราะข้างหน้านี่อ้อยอิงหน่วยนาดนะหรือว่าบางทีตักเอาของเราไปไม่ทันเป็นของเราเลยแต่ยึดเป็นของเราแล้วของกูของกูของกูแต่ว่าดันตักของกูไปสลแล้วโกรธเลยเอาเวลาทำบางนคนเห็นความโกรธนะแต่มองไม่เห็นห้เบื้องหลังความโกรธนันคือความอยากกิเลสนะเป็นกิเลส ต, ตัวหนึ่ง ต้องเห็นนะเราต้องปฏิบัติจงกะต้องเห็นนะไม่ใช่แค่ตัวความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันทําให้จิตใจว้าวุ่นหรือว่าเกิดความไม่พอใจแต่ต้องเห็นตัวการที่มันอยู่เบื้องหลังไอ้ความไม่พอใจนั้นเนี่ยทดลองเดียวกันนะ เ, เวลาเราทําอะไรดีแล้วมีคนชมเนะี่ยเออเราก็ดีใจ เราก็เห็นความดีใจนั้นนะเห็นแล้วเห็นความดีใจแล้วก็วางไม่ปล่อยให้ใจเคลิ้มกับความชมอันนี้ดีแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเกิดไปเห็นนะว่าไอ้เบื้องหลังเนี่ยความพอใจคืออะไรนะเป็นเพราะเราสึกได้หน้าได้ตาเป็นเพราะอัตตามันพองโตเป็นเพราะอยากได้คาชื่นชมสรรเสริญอันนี้ก็กิเลสไง ก็ให้รู้นะ้นนถ้าเราเจริญสติแล้วเนี่ยเราเรารู้ทันความพิรุธทันอารมณ์แต่ไม่ไม่ทะลุถึงกิเลสเนี่ยยังถือว่ายังยังไม่ก้าวหน้าพอต้องไปให้ให้ทะลุจะนั่งเห็นอะไรที่มันลึกไปก้อนนั้นบางคนนะ่ะมียติมายืมเงินนะโอ้เครียดมากเลย เดินจงกรมกลับไปกลับมาก็มีความเครียดแต่ก็มีสติรู้ทันนะเห็นความเครียดพอรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางสุดท้ายใจก็สงบไม่เครียดแล้วแต่นั่นยังไม่พอนะจะดีกว่านั้นถ้าเกิดว่าเห็นว่าที่เครียดเพราะอะไรเครียดเพราะว่ายังมีความตนหนีในเงินยังเสียดายเงิน ยังมีความหมลท์แทงในเงินอ่าตรงนี้ก็ทําให้เราเห็นกินเลสไม่ใช่แค่เห็นความคิดเห็นอารมณ์ไว้พอมันต้องเห็นกินเลสที่มันอยู่เบื้องหลังไอ้ความคิดและอารมณ์เหล่านั่นด้วยแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเห็นลึกไปถึงขั้นว่าจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ที่ไหนเลยนะ มนไม่อยู่ที่มีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การวางใจของเราอยู่ที่อากับกิริยาหรือท่าทีของใจเราซึ่งทําเองก็ไม่รู้นะอย่างบางคนเนี่ยไปสักการะสังเวชสถานนะแล้วพอไปถึงพุทธคยาก็ หลังจากที่กราบสักการะพระบรมไตรย์ดีแล้วก็มานั่งทำสมาธิอยู่บริเวณนั้นใจสงบมากเลยนะทั้งที่เสียงดังจากผู้คนนับพันๆเนี่ยที่มาสักการะโดยเพราะคณะชาวไทยชาวอินเดียชาว ศีรังกาก็จะสวดมนต์ยิ่งที่เบดแล้วยิ่งสวดดังใหญ่ระหว่างที่เดินทักซินาวแล้วก็สวดมนต์กันเสียงดังหลายภาษาตีกันแต่นั่งสงบเลยนะเหมือนกับว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ขั้นมามาฟังธรรมเนี่ยกลับมาเมืองไทยมาฟังธรรม เสียงโทรพา์จากใครจากเครื่องไหนก็ไม่รู้ดังงุดหงิดเลยถ้าว่ารู้จักสังเกตใจตัวเองมันก็จะเกิดความสงสัยไว้ทำไม เ, เสียงที่ดังกระหึม่มที่พุทธคยาเนี่ยมันเข้าหูเราแต่ใจเราสงบแต่ทำไมเสียงโทรศัพท์ซึ่งมันเสียงก็ไม่ได้ขี้เลยอะไรนะเสียงริงโทนก็ไพเราะ และเสียงก็เบาด้วยแต่ทําไมใจลงงุนงิดนี่ถ้าพิจารณาสังเกตใจของเราโดยสติก็จะเห็นเลยนะว่าปัญหาไม่อยู่ที่เสียงปัญหาอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยมนรู้สึกลบหรือรู้สึกบวกกับเสียงที่ได้ยินหรือว่าใจเรามีอาการยอมรับหรือผลักใสเสียงดังแต่ใจยอมรับมันก็เหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอย่างเช่นเสียง อรอบพุทธคยาเสียงระหว่างทักศินาวัดพุทธคยานี่เสียงดังแต่ว่าคนส่วนใหญ่หรือเจ้าตัวเองก็ข้อรู้สึกยอมรับเสียงนะั้นาเป็นเสียงแห่งมงคลเป็นเสียงแห่งศรัทธาข้อหูซ้ายบางทีก็ทะลุหูขวาไปเลยใจยอมรับตรงข้างกับเสียงริงโทนเนี่ย มันมาดังในศาลาอย่างหอไตรเนียใจมันไม่ยอมรับอาจจะรู้สึกว่า ผ, วผิดเวลาผิดสถานที่มันไม่ยอมแล้วเกิดอะไรขึ้นมันผักใสมีเสียงบน่นบวยวายตีโพย ต, ตีพายถ้าสังเกตใจเราจะพบว่าอ๋อไอ้เหตุแห่งทุกข์มมนอยู่ที่เสียงอยู่ที่ใจเรา ใจที่มันผักใสใจที่มันโวยวายใจที่มันตีโพยตีพายการเจริญสติเนี่ยมาช่วยทําให้เรารู้หรือตระหนักว่าเหตุแห่งความทุกข์ใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกอยู่ที่ใจของเราใจที่ผักใส่ใจที่บ่นโวยวายตีโพยตีพายอาจารย์พรหมวังโสเนี่ยท่านเป็นพระชาวอังกฤษนะ ตอนที่ท่านมาบวชใหม่ใหม่เนี่ยที่วัดหนองปลาพงเนี่ยมีช่วงหนึ่งนะหลังจากที่สร้างโบสถ์เสร็จเนี่ยมันมีกองดินกองทรายเหลืออยู่เยอะหลวงพ่อชาก็บอกให้พระเนเนี่ยช่วยกันขนกองดินกองทรายไปไว้ที่อื่นท่านก็ระบุที่ให้บอกว่าพระเนเนี่ใช้เวลานี่ เป็นวันๆเลยนะขนดินขนทราย ย, าย้ายวันเดียวไม่เสร็จนะ่อวันที่สองทั้งวันอากาศก็ร้อนไม่เสร็จนะวันที่สามเนี่ยจึงจะเสร็จแต่ก่อนที่จะเสร็จหลวงพ่อชาท่านก็มีกิจนิ ม, มนต์ไปที่อื่นช่วงที่หลวงพ่อชาไม่อยู่เนี่ยหลังจากที่ขนเสร็จเนี่ย องเจ้าว่าถ้าบอกว่าพอลุงท่านก็บอกว่าเนี่ยที่ขนมาเนี่ยตรงเนี้ยมันผิดนะมันต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งก็ต้องเกณฑ์พระเ น, นมาช่วยขนกันใหม่มาเปกสามวันเหนื่อยกันมากหลวงพ่อชากลับมาอ้าวทำไมย้ายตรงนี้ย้ายกลับไปใหม่ที่เดิมโอ้คนนี้ จันโพรมยางซึ่งตอนนี้นเป็นพระพระพรมอยู่เนี่ยขนดินขนทรายขนไปก็บนไปใช้รถขนนะรถเข็นบนว่าเนี่ยนะพระผู้ใหญ่ทำไมไม่กตกลงกันให้เรียบร้อยนะกลับไปกลับมามองกันคนเห็นกันไปนละทางนะเสร็จแล้วอย่างนี้เนี่ย าศาสนาจะเจริญได้ยังไงเนะจ้าวาดว่าดอย่างลองเจ้าวาดว่าดอย่างบนอยู่ในใจเนี่ยรนะหว่างที่ขนหินขนทรายยิ่งบนก็ยิ่งทุกข์นะแล้วคงแสดงออกทางสีหน้าก็มีพารรูปหนึ่งเนี่ยเป็นพัดไทยเนี่ยเห็นก็เลยพู้กอาจารยร์พรหมเนี่ยว่าเนี่ย ปัญหาท่านคือคิดมากไปพอท่านได้ยินเท่า น, นียท่านได้คิดเลยนะเห็นใจที่มันบนเั้นใจมันวอยวายพอเห็นใจมันบนวอวายในใ จ, จมันสงบเลยนะเพราะก็ว่าหินทรายมันเบาก็เดิมเยอะเลยวันนั้นท่านขนหินขนทรายนี่ไม่ได้ทุกข์อะไรเลยแล้วท่านก็เลยพบว่าเนี่ย ไอ้ความทุกของการขนหินขนทรายเนี่ยมันไม่ที่น้ำหนักของทรายหรือหินมันมีที่ใจใจที่มันบ่นใจมนวนวายวายวาแต่พอใจมันเลิกบ่นที่เลิกบ่นเพราะอะไรเพรเห็นพราะรู้ทันพอรู้ทันว่าเห็นใจที่มันบ่นวายวายมันสงบเลยแล้วท่านก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยไอ้ความทุกของตัวท่านเนี่ยมันไม่ใช่เปนมันไม่ใช่เพราะสาเหตุจริงๆไม่ใช่เพราะความผิดพลาดของ เจ้าวาหรือรองเจ้าวาหรือมันไม่ใช่เป็นพราะหินได้ซ้ําไม่ใช่เป็นพราะทรายได้ซ้ําเป็นพราะใจใจที่บน่นใจที่โวยวายพอหยุดบน่นหยุดโวยวายเท่านั้นแล้นะหินทรายเบาเลยทํางานได้นะได้สบายเหนื่อยกายนะแต่ว่าไม่ทุกข์แล้วแล้วท่านก็เลยรู้ว่าทําไมพระไทยหลายรูปเนี่ยก็ก็ขนได้เก้าวันโดยที่ไม่ได้ มีความทุกข์อะไรเลยเหนื่อยเนื่อยแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์นะเพราะว่าวางใจถูกนี่ถ้าเรามีสติเจริญสติมันจะเห็นเลยนะว่าเหตุแย่งทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ที่ข้างนอกมันไม่อยู่ที่ว่าเราเจออะไรแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรโดยเพราะการผักใสนะและตรงนี้ที่ช่วยทำให้เราได้เกิดปัญญามากขึ้น มันไม่ใช่แค่เกิดความสงบแต่มันเกิดความรู้นะทั้งรู้ทันกิเลสแล้วก็รู้เหตุแห่งทุกข์นะซึ่งมันจะช่วยนะเรานะในเรื่องของการดาเนินชีวิตและการทำงานได้มากทีเดียว